วิธีคิดแบบวิพัฒนาทะข้อข อ, ขอจำแนกโดยส่วนประกอบการคิดจำแนกแบบนี้คือวิเคราะห์แยกแยกออกไปให้รู้เท่าทันภาวะที่สิ่งนั้นนั้นเกิดขึ้นจากองค์ประกอบย่อยๆต่างๆมาประชุมกันเข้าไม่ติดตันอยู่แค่ภายนอกหรือถูกรวงโดยภาพรวมของสิ่งนั้นนั้นเช่นแยกแยะสัตว์บุคคลออกเป็นนามและรูปเป็นคันห้า และแบ่งซอยแต่ละอย่างแต่ละอย่างออกไปจนเห็นภาวะที่ไม่เป็นอัตตาเป็นทางรู้เท่าทันความจริงของสังขารธรรมทั้งหลายวิพัฒวาตะแงนี้ตรงกับวิธีคิดแบบโยนิสโสมนัสิการอย่างที่สองคือวิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบที่กล่าวแล้วข้างต้นจึงไม่จำเป็นต้องบรรยายอีกเดิมทีเดียวคาว่าวิพัฒวาตะท่านไม่ได้มุ่งใช้ในความหมายแง่นี้แต่ในคำพิ ร, รุ่นหลัง ท่านใช้สับคลุมถึงด้วยจึงนำมากล่าวรวมไว้